คำสำคัญที่แสดงภาวะทางจิตของผู้บรรลุนิพพานอีกคำหนึ่งซึ่งครอบคลุมลักษณะหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วคือคำว่าอาโรคขยะแปลว่าความไม่มีโรคหรือภาวะไร้โรคที่ในภาษาไทยเรียกว่าสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีอาโรคขยะนี้ใช้เป็นคำเรียกนิพพานอย่างหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้ว ความไร้โรคหรือสุขภาพในที่นี้มุ่งเอาความไม่มีโรคทางจิตใจหรือสุขภาพจิตดังในนักกุรปิตาสูตรสั่งยุตานิกายขันธวารวรมีพุทธพจน์ที่ตรัสสอนขหะบดีผู้เท่าคนหนึ่งว่าท่านพึงศึกษาฝึกสอนตนดังนี้ว่าถึงแม่ร่างกายของเราจะป่วยอดแอดแต่จิตของเราจะไม่ป่วยอดแอดไปด้วย และในอินเสียวัคอังกุตระนิกายจตุ ก, กนิบาทตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโรคมีสองอย่างคือโรคทางกายและโรคทางจิตสัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนปราศจากโรคทางจิตแม้เพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากยกเว้นแต่พระขีณาสพพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ การแสดงภาวะของผู้บรรลุนิพพานในแง่ที่เป็นผู้ไม่มีโรคหรือมีสุขภาพดีนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจคุณค่าของการบรรลุนิพพานดีขึ้นเพราะปุถุชนมักสงสัยว่าในเมื่อผู้บรรลุนิพพานปราศจากการแสวงหาและเสวยความสุขอย่างที่ปุถุชนนิยมชมชอบกันอยู่ท่านจะมีความสุขได้อย่างไรและนิพพานจะดีอะไร ความไม่มีโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงย่อมเป็นความสุขและเป็นภาวะที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองดียิ่งกว่าการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วได้รับความสุขจากการระงับทุกขเวทนาไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งคนที่เจ็บป่วยหรือมีโรคนั้นพออาการของโรคกำเริบขึ้นเกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่ายหรือทุรนทุรายได้ยา หรือวิธีแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งมาระ ง, งับอาการนั้นลงได้ก็มีความสุขไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งยิ่งอาการนั้นรุนแรงเวลาระ ง, งับลงได้ก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคมองในแง่หนึ่งคลายว่าเสียเปรียบเพราะไม่มีโอกาสได้รับความสุขแบบนี้แต่คนที่จิตใจเป็นปกติดีมีปัญญา คงไม่มีใครปรารถนาความสุขแบบคนเจ็บป่วยที่คอยรอรับรสแห่งความสงบของทุกข เ, เวทนาอย่างนี้ความสุขที่ตามปกติไม่รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นแต่เพียงความปลอดโปร่งโล่งเบาอยู่ภายในอันเป็นความสมบูรณ์ในตัวของมันเองตามภาวะของความไม่มีโรคซึ่งทําให้ไม่มีโอกาสได้รับความสุขบ่อยๆหรือเป็นครั้งคราวจากการระงับความกระสับกระส่ายทุรนทุรายที่เป็นอาการของโรคนั้น เทียบได้กับภาวะของผู้บรรลุนิพพานหรือความสุขจากภาวะของนิพพานส่วนความสุขจากการระงับอาการของโรคได้เป็นคราวๆเปรียบเหมือนการแสวงหาความสุขของปุถุชนท่านแสดงข้ออุปมาไว้เปรียบเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนมีแผลตามตัวเห่อขึ้นทั่วทั้งร่างตัวเชื่อโรคก็คอยเร้าระคายเขาต้องใช้เล็บเกาปากแผลอยู่เรื่อยๆ และผิงกายที่หลุมฐานไฟเมื่อเขาเก่าและผิงย่างตัวกับไฟหนักเข้าปากแผลก็ยิ่งเคอะเยอเฟะมากขึ้นแต่กระนั้นความสุขความชื่นใจความมีรสชาติใดๆที่เขาจะได้รับก็อยู่ตรงปากแผลคันที่จะได้เก่านั่นแหละบุรุษโรคเรื้อนตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจนกระทั่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษาทําให้เขาหายจากโรคเรื้อนได้ บุรุษนั้นพ้นจากโรคเรื้อนไปได้กลายเป็นคนมีสุขภาพดีตรงนี้ตรงกับบาลีว่าอาโรคะเขากลายเป็นคนมีสุขภาพดีมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตัวจะไปไหนก็ได้ตามพอใจถึงตอนนี้การเกาปากแผลก็ดีการผิงย่างตัวที่หลุมหรือกองไฟก็ดีที่เขาเคยรู้สึกว่า ทำให้เกิดความสุขสบายชื่นใจนั้นคราวนี้เขาไม่เห็นว่าเป็นความสุขเลยแต่ถ้าจะให้เขาทําอย่างนั้นในเวลาที่หายโรคแล้วอย่างนี้เขากลับเห็นว่าจะเจ็บปวดเป็นทุกข์ด้วยซ้าแต่ภาวะเช่นนี้เมื่อครั้งยังถูกโรคเรื้อนรุมเร้าอยู่เขาหามองเห็นประหนักไม่ข้ออุปมานี้เปรียบได้กับปุถุชนผู้ยังมีกิเลส อันเป็นเหตุให้ต้องสแสวงหาความสุขจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกรมคุณแม้จะได้ความสุขจากการหาอารมณ์มาสนองความอยากนั้นแต่ก็ถูกเชื้อความอยากต่างๆทั้งหลายเร้าระคายให้เราร้อนทุรนทุรายกระสับกระสายมากยิ่งขึ้น <decorate us. S 1> เมื่อดำเนินชีวิตไปในแนวทางเช่นนี้ความสุขความรื่นรมชมชื่นใจที่มีอยู่ก็วนอยู่แค่การปลุกเร้าเชื้อความอยากให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น แล้วก็หาสิ่งที่จะเอามาสนองระงับดับความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อใดบรรลุนิพพานหมดเชื้อความอยากที่ทําให้เกิดความเร่าร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายแล้วเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวก็ไม่เห็นความสุขในการกระทําเพื่อสนองระงับความเร่าร้อนกระวนกระวายเช่นนั้นอีกแง่หนึ่งจากคําอุปมาข้างต้นนั้นพอจะจับเอามาพูดได้ว่า ผู้ทุชนเปรียบเหมือนคนมี ko ที่คันที่ต้องเก่าและความสุขของปู้ทุชนก็คือความสุขจากการได้เก <and BLANK, S 1> <mas> <jeu> ่าณ mm <performer> ที่ค <fulness> <anymore> ันยิ่งคันก็ยิ่งเก่าและยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันมากความสุขจากการเก่าก็ยิ่งมากและยิ่งคันมากก็ยิ่งได้เก่ามากผู้ทุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขให้สูงขึ้น ด้วยการหาทางเพิ่มความเร้าระคายเพื่อทำให้คันมากขึ้นเพื่อจะได้รับความสุขจากการเกาให้มากยิ่งขึ้นส่วนผู้หลุดพ้นแล้วเป็นเหมือนคนที่หายจากโรคคันมีร่างกายสมบูรณ์เป็นปกติย่อมมีความสุขจากการไม่มีที่คันที่จะต้องเกาแต่อาจถูกปุตุชนกล่าวติว่าเป็นผู้สูญเสียขาดความสุขจากการได้เกาที่คันอีกอย่างหนึ่ง การแสวงสุขของปุตุชนเป็นเหมือนการก่อกระเพือโหมไฟขึ้นแล้วได้รับความสนุกสนานชื่นฉ่ำชุ่มเย็นจากการดับไฟนั้นยิ่งโหมไฟให้ลุกโผร่ร้อนแรงขึ้นเท่าใดก็ยิ่งได้ใช้ความแรงในการดับทำให้เกิดเสียงฉีชาสู้ซ่าวูบวาบโลดโผนมากขึ้นเท่านั้นปุตุชนจึงมักดาเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟ แม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการก่ออันตรายทั้งแก่ตนเองและคนอื่นมากขึ้นก็ตามส่วนผู้หลุดพ้นแล้วเป็นเหมือนผู้ที่ได้ดับไฟสำเร็จแล้วอยู่สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปร่งใจไม่ต้องถูกเผาลนและไม่ต้องคอยระวังภัยจากความเร่าร้อนไม่คำนึงห่วงใยต่อความซ่านท้าที่จะได้รับจากการคอยตามดับไฟซึ่งตนโหมกระพือขึ้นภาวะที่กล่าวมานี้ มองอีกด้านหนึ่งเป็นลักษณะแห่งพัฒนาการของชีวิตจิตใจซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพตลอดจนท่าทีต่อสิ่งต่างๆหรือต่อโลกและชีวิตโดยส่วนรวมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนั้นทุกคนพอจะมองเห็นได้เมื่อเทียบเคียงกับการเติบโตจากเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของเล่นต่างๆ พี่เคยรักใคร่ห่วงแหนถือเอาเป็นเรื่องจริงจังสลักสาคัญนักหนามีความหมายต่อชีวิตและต่อความสุขความทุกข์ของตนถึงเป็นถึงตายในสมัยเป็นเด็กครั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จืดจางกลายเป็นของไม่เร้าวความรู้สึกเมื่อเห็นเด็กๆชื่นชมกันนักตั้งตาคอยจ้องจะจริงมาเป็นเจ้าของก่อนผู้ใหญ่อาจมองเป็นขำไปแม้วิธีหาความสนุกสนานต่างๆ ตามแบบของเด็กๆก็กลายเป็นสิ่งไร้ความหมายข้อนี้ฉันใดผู้ที่บรรลุนิพพานเข้าถึงพัฒนาการที่สูงเลยขึ้นไปจากปุทุชนย่อมมีท่าทีต่อโลกและชีวิตต่อสิ่งที่ชื่นชมยินดีและต่อวิถีทางดำเนินชีวิตของปุทุชนเปลี่ยนแปลงไปฉันนั้น